วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่2 ส, สิงหาคมพุทธศักราช2563เป็นวันที่พวกเรามีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำหน้าที่ของชาวพุทธ ภาษาสนิกชนที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบหน้าที่ไว้ให้แก่พวกเรากระทำกันหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเรียกว่าธุระธุระที่เราจะต้องทำกันมีอยู่สองธุระด้วยกัน ถ้าเราต้องการที่จะได้รับผลประโยชน์จากการเป็นชาวพุทธของพวกเราการเป็นชาวพุทธนี้เรามีสิทธิ์ที่จะได้รับประโยชน์ที่ไม่มีประโยชน์ท่านใดในโลกนี้จะดีเท่า เป็นประโยชน์สูงสุดของโลกเป็นประโยชน์ที่ไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถมอบให้กับเราได้นอกจากพระพุทธศาสนาเท่านั้นนั่นก็คือการได้บรรลุถึงธรรมขั้นต่างๆที่มีอยู่ด้วยกันก้าวขั้นด้วยกัน เรียกว่ามรสีผลสีนิพพานหนึ่งผู้ย่อก็คือมรผลนิพพานนี่เป็นประโยชน์ที่ไม่มีที่ไหนสามารถมอบให้กับเราได้นอกจากพระพุทธศาสนาเท่านั้นถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาปรากอยู่ในโลกนี้ พวกเราจะไม่สามารถที่จะบรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้เลยเพราะเราไม่รู้ว่าการ จ, จะบรรลุบรรลุถึงมรรคผลนิพพานนี้บรรลุได้อย่างไรแลวอาจจะไม่รู้เสียได้ซ้ำแบบว่ามีมรรคผลนิพพานด้วยหรือมรรคผลนิพพานคืออะไร นี่คือสิ่งที่พวกเราจะไม่มีวันที่ได้รู้กันเลยถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วเราจะได้รู้เรื่องของมรรคผลนิพพานว่าเป็นอะไรกันมีคุณค่ามีคุณประโยชน์ต่อจิตใจของพวกเราอย่างไรกัน มรรคผลนิพพานก็คือขั้นตอนของการหลุดพ้นจากโลกแห่งการเวรวตายเกิดนี้เองจิตใจของพวกเราทุกคนนี้เรียกว่าปุถุชนผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานถ้าได้บรรลุมรรคผลนิพพานจะเรียกว่าเป็นพระอริยบุคคล ถ้ายัางไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเรายัางเป็นปุตุชนอยู่และสิ่งที่ปุตตุชนยังต้องทำอยู่ต่อไปก็คือการติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดกานติดอยู่ในสังสารวัตในสังสารวัตนี้คือที่เวียนว่ายตายเกิด ของจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายซึ่งมีพวกเรารวมอยู่ในจิตในสัตว์โลกเหล่านี้ด้วยสัตว์โลกที่มีเวนวายตายเกิดในสังสารวัต น, นี้มีหลายชนิดด้วยกันมนุษย์นี้ก็เป็นชนิดหนึ่งเรียกว่าสัตว์โลกชนิดหนึ่งเทวดาอินพรหมนี้ก็เรียกว่าสัตว์โลกนชนิดหนึ่งนอกกนั้นก็ยังมี สัตว์โลกที่อยู่ขั้นต่างเรีย mm hmm. กว่าเดลฉานเปรตอสุรกาย mm hmm. และนาลกนี่คือดวงวิญญาณของสัตว์โลกชนิดต่างๆที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในตายภพคืออยู่ในกามภพในรูปภพและอรูปภพ ถ้ายังติดการเสพการคือติดรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ก็จะต้องมาเกิดในพบของการมภพบภพบของการมภพบนี้ก็มีพวกมนุษย์อย่างพวกเรานี้พวกเทวดาพวกสัตว์เดรัจฉานพวกเปรตพวกอสุรกายและพวกนรก ดวงวิญญาณเหล่านี้ยังเศษกลามอยู่เพื่อเศษเลูกเสียงกลิ่นรสทธพภะชนิดต่างๆจึงต้องมาเกิดในกางมาพบเพื่อได้จะได้มาเศษเลูกเสียงกลิ่นรสต่างๆส่วนพวกที่สามารถตัดความอยากในการามได้แล้วก็ไปเสษ ความสงบของรูปฌานและอรูปฌานตรงนี้ก็จะแยกไปอยู่อีกภพอีกสองภพเรียกว่ารูปภพภพของผู้ที่เสบรูปฌานพวกนี้เราเรียกว่าพม ร, รูปประมงส่วนพวกที่เสบรูปฌา น, น, นก็จะแยกไปอยู่อรูปภพ เป็นภพของพวก อ, ร, อรูปอรูปภพนี่คือภพต่างๆที่ปุตุชนทั้งหลายยังต้องเลียนไหตายเกิดกันอยู่เพราะว่าในแต่ละภพนี้เมื่อได้ไปเกิดไปจุติแล้วไม่นานก็จะต้องจบลงหมดลงไปอยู่ในรูปภพอรูปภพ เดี๋ยวชาญรู ป, ปรชาญหรืออรูปชาญที่ส่งให้ไปอยู่ในรู ป, ปรภพอรู ป, ปรภพก็จะหมดกำลังลงก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ieur, <th im ell ad> กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่แล้วก็กลับมาปฏิบัติสมาธิกันใหม่ปฏิบัติรู ป, ปรชาญอรู ป, ปรชาญกัน พอตายไปก็กลับไปเกิดในรูปะภพอรูปะภพใหม่ส่วนพวกที่เป็นเทวดาก็พอบุญที่ส่งให้ไปเป็นเทวดาหมดกำลังลงก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทำบุญใหม่มาทำบุญมารักษาศีลพอตายไปก็กลับไปเกิดเป็นเทวดาใหม่ แล้วก็พอมบุญหมดก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ส่วนพวกที่ไม่ได้ทำบุญไม่ได้รักษาศีลทำแต่บาปพวกนี้เวลาตายไปก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นดวงวิญญาณที่เรียกว่าเปรตบางไปเป็นดวงวิญญาณที่เรียกว่าอสูรกายบ้างหรือเรียกว่านรกบาง ตรงนี้ก็จะอยู่ในภพที่เรียกว่าอบายภพบอบายภูมินี่คือปุตตชนที่ติดอยู่ในสังสารวัตติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดในไตรภพในการมาภพในรูปภพและในอรูปภพสัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นปุตุชนนี้จะไม่มีวันรู้เรื่องของมรรคผลนิพพานจะไม่มีวันรู้ว่ามีที่ที่หนึ่งที่อยู่แยกออกจากสังสารวัตเรียกว่านิพพานพบที่เรียกว่านิพพานนี้ะจะ มีผู้ที่รู้ได้หรือเห็นได้หรือพบได้ก็คือพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นถ้าไม่มีพระพุทธเจ้านี้จะไม่มีใครรู้จักนิพพานกันจะไม่รู้จักว่านอกเหนือจากการเรียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏแล้วยังมีอีกที่หนึ่งที่สัตว์โลกสามารถไปอยู่ได้ ไปอยู่แบบที่ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอย่างที่พวกเรากำลังเป็นกันอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆสถานที่นี้เราเรียกว่าพระนิพพานซึ่งผู้ที่จะไปถึงพระนิพพานได้ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้าไปถึงพระนิพพานก่อน หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ไปถึงพระนิพพานแล้วพระพุทธเจ้าก็จะมาสอนพวกเรามาบอกพวกเราวิธีที่จะทำให้พวกเรานี้ได้ไปถึงพระนิพพานกันแล้วถ้าเราหลังจากที่เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาแล้วเรานำเอาไปปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้บรรลุถึงขั้น ต่างๆของของการที่จะไปถึงพระนิพพานการจะไปถึงขั้นถึงพระนิพพานได้ก็เป็นเหมือนกับการต้องขึ้นบันไดเพราะมีบันไดที่จะต้องขึ้นอยู่สี่ขั้นด้วยกันเรียกว่ามรรคสี่ผลสี่ถึงจะไปถึงพระนิพพานได้นี่คือสิ่งที่ จะมีในพระพุทธศาสนาเท่านั้นคือมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งไปศึกษาจากาศาสนาอื่นนี้จะไม่มีใครสอนเรื่องมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งไปศึกษาตามสถาบันการศึกษาต่างๆในโลกนี้จนแม้แต่สถาบันที่อยู่ในระดับต้นๆของโลกน ก็ไม่มีการสอนเรื่องของมรรคสีผลสีที่ผ่านหนึ่งมีแต่พระพุทธศาสนาเท่านั้นผู้ที่จะเป็นชาวพุทธจึงมีหน้าที่เหมือนกับนักศึกษานักศึกษานี่เวลาไปสมัครเข้ามาหาวิทยาลัยหรือเข้าโรงเรียนตามระดับชั้นต่างๆ ก็มีหน้าที่ต้องทำหน้าที่ของนักศึกษาก็คือต้องศึกษานั่นเองเมื่อศึกษาแล้วก็นาเอาความรู้ที่ได้ศึกษามีไปปฏิบัติต่อไปเพื่อจะได้รับประโยชน์จากการศึกษาจากการปฏิบัติความรู้ที่ได้เรียนรู้มานั่นเอง ดังนั้นหน้าที่ของชาวพุทธเรา<ม>ก็มีอยู่สองหน้าที่ด้วยกันเริ่มมีธุระอยู่สองธุระที่ชาวพุทธเราต้องทำกันถ้าเราอยากจะได้บรรลุถึงธรรมขั้นต่างๆเราต้องขึ้นบันไดสี่ขั้นมรรคสี่<ม>ผลสี่นิพพานหนึ่ง ขั้นต้นเราก็ต้องศึกษาธุระอันแรกนี้ท่านเรียกว่าคันธุระแปลว่าการศึกษาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาทั้งเหตุทั้งผลเหตุก็คือวิธีการปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลคือมกสีผลสีนี้พาหนึ่ง ผลเราก็ต้องศึกษาว่ามีอะไรบ้างมีความสําคัญอย่างไรมีคุณประโยชน์อย่างไรต่อจิตใจของพวกเราเรียกว่าขั้นธุระเมื่อได้ศึกษาแล้วขั้นต่อไปก็ต้องทําธุระขั้นที่สองเรียกว่าวิปั ส, สนาธุระวิปั ส, สนาคือการทําให้แจ้งผลต่างๆ ถึ่งที่เราต้องทําให้แจ้งก็คือมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งนี้อันนี้ตอนต้นก็ต้องศึกษาก่อนว่ามรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งนี้เป็นอย่างไรมีคุณค่ามีคุณประโยชน์อย่างไรแล้วจะทําอย่างไรถึงจะบรรลุถึงมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งนี้ได้อย่างไร พอได้ศึกษาแล้วเราก็จะได้รู้เมื่อรู้แล้วเราก็ต้องทำทุระที่สองคือวิปัสสนาธุระคือทำให้มรรคสีพ้นสีนิพานนี้ปรากฏขึ้นมาในใจของเราเองทำให้แจ้งก็คือทำให้ปรากฏตอนนี้มรรคสีพ้นสีนิพานหนึ่งนี้ยังไม่ปรากฏขึ้นมาในใจของพวกเรา พวกเรายังไม่เห็นมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งเพราะพวกเรายังไม่ได้ปฏิบัติทำที่จะเปิดมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งขึ้นมาในใจของพวกเรานั่นเองดังนั้นเราต้องทำทุระขั้นที่หนึ่งก่อนคือศึกษาเช่นวันนี้เรามาศึกษาฟังธรรมกันมาฟังเรื่องราวของมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่ง ว่ามีประโยชน์อย่างไรกับจิตใจของพวกเราประโยชน์ที่เราได้ครับถ้าเราได้บรรลุถึงมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งก็คือจิตใจของเราจะได้ก้าวออกจากโลกของการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองถ้าเปรียบเทียบในยุค ป, ปัจจุบันนี้เราก็เปรียบกับพวกจรวด ตอนนี้มีการแข่งขันส่งจรวญขึ้นไปสู่อาวากาศให้ออกไปจากนอกโลกของเราให้ไปสู่ดวงดาวต่างๆไปสํารวจดวงดาวดวงอาทิตย์กันการที่จะออกจากโลกนี้ไปได้จําเป็นจะต้องมีจรวญที่มีพลังขับเคลื่อนที่สูงที่สามารถอ ต้านแรงดึงดูดของโลกได้พวกเรานี้ที่อยู่บนโลกผิวโลกนี้ก็เพราะว่าเราถูกแรงดึงดูดของโลกดูดเราเอาไว้ทําไมเราไม่ลอยขึ้นไปทําไมเราอยู่บนดินกันก็เพราะว่าร่างกายของเราถูกแรงดึงดูดของโลกนี้ดูดเอาไว้ถ้าเราอยากจะลอยเราลองขึ้นไปตกสูงดู เราลองกระโดดตึกดูซิว่าจะลอยหรือจัด จ, จะล่วงเราก็จะรู้ว่าอ๋อมันทำไมไม่ลอยก็เ พ, เพราะว่ามันมีแรงดึงดูดดึงให้ร่างกายของเราตกลงมาถ้ามันไม่มีแรงดึงดูดเราก็ต้องลอยแต่นี่มันไม่ลอยกันก็เพราะว่ามีแรงดึงดูดดึงให้ร่างกายของเราตกลงมา ที่ผิวโลกนี้แต่พวกนักวิทยาศาสตร์นี้เขาฉลาดเขาสามารถคิดค้นคว้าหาวิธีที่จะสู้กับแรงดึงดูดของโลกด้วยการสร้างเครื่องบินสร้างจรวดชนิดต่างๆที่สามารถที่จะยกของหนักเช่นร่างกายของเรานี้ให้ลอยขึ้นไปได้ให้เราขึ้นเครื่องบินเนี่ย เครื่องบินนี้เขามีแรงขับเคลื่อนที่จะต้านแรงดึงดูดของโลกแทนที่จะให้โลกแรงดึงดูดของโลกดึงให้เราติดอยู่กับพื้นผิวโลกนี้เครื่องบินนี้จะมีแรงส่งให้เราลอยขึ้นไปในบนท้องฟ้าแต่กําลังของเครื่องบินนี้มียังไม่มากพอ มีกำลังพอที่จะส่งให้ขึ้นไปบนท้องฟ้าได้แต่ไม่มีกำลังที่จะส่งให้ออกไปให้พ้นจากแรงดึงดูดของโลกได้องนักวิทยาศาสตร์เขาเลยต้องสร้างจรวดขึ้นมาสร้างยานที่มีกำลังขับเคลื่อนที่สูงกว่าเครื่องบินที่จะต้านแรงดึงดูดของโลกทำให้สามารถส่งยานอวากาศ ออกไปจากโลกนี้ได้จิตใจของพวกเรานี้ก็เปรียบเทียบเหมือนมนุษย์เหมือนร่างกายของพวกเรานี้ติดอยู่บนผิวโลกนี้แต่ถ้าเรามียาณอวากาศที่จะพาให้จิตใจของเรานี้มีจรวดไม่ใช่ยาอวากาศมีจรวดที่จะส่งจิตใจของพวกเรานี้ให้ออกไปจากนอกโลก ของการเวียนว่ายตายเกิดได้ yeah. mm hmm. มีพระพุทธศาสนานี่แหละเป็นผู้ที่ค้นคว้าพบเรื่อสร้างจรวดของจิตใจ yeah. mm hmm. ที่จะส่งให้จิตใจของพวกเราที่ติดอยู่ในตายภพนี้ที่ติดอยู่ในสังสารวัฏนี้ yeah. mm hmm. ให้หลุดออกจากแรงดึงดูดของสังสารวัฏได้ mm hmm. mm hmm. สังสารวัฏ น, นี้ก็มีแรงดึงดูดเหมือนกับโลกนี้โลกนี้มีแรงดึงดูดร่างกายและสิ่งต่างๆให้ติดอยู่บนผิวโลกสิ่งที่ดึงดูดให้ดวงวิญญาณของสัตว์โลกทั้งหลายติดอยู่ในสังสารวัฏก็คือกิเลสตัณหานี่ยได้แก่กามตัณหาภวะตัณหาและวิภวตัณหากามตัณหาก็จะดึงให้ ดวงวิญญาณของสัตว์โลกติดอยู่ในกามาภพเพราะว่าตันหาก็จะดึงดวงวิญญาณของสัตว์โลกให้ติดอยู่ในรูปภพเพราว่าตันหาก็จะดึงดวงวิญญาณให้ติดอยู่กับในอรูปภพทีนี้วิธีที่จะดึงดวงวิญญาณให้ออกจากกามาภพจาก รูปภพและจากอารมณพบพได้ก็ต้องสร้างจรวดกันขึ้นมาซึ่งผู้ที่สร้างจรวดของทางจิตวิญญาณได้ผู้แรกก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงค้นพบวิธีที่จะสร้างจรวดของดวงวิญญาณของจิตตวิญญาณของพวกเหล่านี้ให้ออกจากแรงดึงดูดของของไตภพได้ขอ ง, ขอ ง, ของสสงสารวัตรได้ จรวจที่พระพุทธเจ้าสร้างนี้ก็คือมรรคนี่มรรคมรรคที่มีองค์8ดหรือถ้าสรุปลงเข้ามาย่อเข้ามาก็เป็นสามจาก8ดก็เป็นสามคือศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนานี่คือจรวดที่จะพาให้ดวงวิญญาณของพวกเรานี้ ได้หลุดออกจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดหรือโลกของตายภพของสังสารวัฏนี้ถ้าพวกเราอยากจะออกจากตายภพไม่อยากที่จะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายภพนี้อีกต่อไปพวกเราก็ต้องสร้างจรวดกันสร้างทานสร้างศีลสร้างภาวนากัน พอเรามีทานมีศีลมีภาวนาเราก็มีจริญที่จะส่งให้เราได้ออกจากเรงนี้ไปการออกไปนี้เราก็แบ่งเป็นขั้นขั้นมีอยู่สี่ขั้นขั้นที่หนึ่งก็เรียกว่าขั้นพระโสดาบันขั้นที่สองก็เรียกว่าขั้นของพระสกิดาคารีขั้นที่สามก็ขั้นของพระอนาคามีขั้นที่สี่ ก็คือขั้นของพระอาหารหันต์พอได้ถึงขั้นที่สี่ก็จะออกจากโลกของสังสารวัฏได้อย่างสมบูรณ์ได้เข้าสู่โลกของพระนิพพานต่อไปเหมือนกับจรวดนี้ที่ส่งยานอวกาศออกจากนอกโลกออกออกจากแรงดึงดูดของโลกนี้ยิ่งออกไปไกลเท่าไหร่แรงดึงดูดของโลกนี้ก็จะอ่อนลงไปเรื่อย อิทธิพลของแรงดึงดูดที่จะดึงยานมอากาศให้กลับมาอยู่ในโลกนี้ก็จะน้อยลงไปตามระยะทางที่เดินออกจากโลกนี้ไปพอไปถึงขีดหนึ่งมันก็สิ้นสุดลัศมีของแรงดึงดูดของโลกมันก็จะไม่กลับมาในโลกนี้อีกต่อไปแต่ถ้ายังไปอยู่กึ่งกลางอยู่ เช่นยานอวกาศที่เขาที่เรียกว่าสถานีอวกาศนี่เขายังไม่ได้ส่งให้ออกไปไกลเกินรัศมีของแรงดึงดูดของโลกเ้าส่งไปไประมาณเพียงครึ่งทางก็ยังมีแรงดึงดูดให้สถานีอวกาศนี้ยังวนรอบ่วงนี้อยู่เหมือนกับดวงจันทร์นี้ก็เหมือนกัน ดวงจันทร์นี้ก็ยังหมุนรอบโลกอยู่เพราะว่าดวงจันทร์นี้ไม่ได้อยู่ไกลกว่ารัศมีของแรงดึงดูดของโลกดวงจันทร์นี้เรายังต้องหมุนเหมือนลูกข่างเราเคยมีลูกข่ง้งไหมเรามีไม่ใช่ลูกข่างถ้าเราเอาก้อนหินแล้วเราเอาเชือกมัดไว้ ถ้าเราลองเหวี่ยงมันลอบตัวเราดูหมุนรอบตัวเราดูถ้าตาบใดมีเชือกคอยดึงมันไว้มันก็จะหมุนไปรอบตัวเราแต่ถ้าเชือกขาดปั๊บนี้มันจะไปออกไปจากการหมุนรอบตัวเราทันทีการที่คำว่าเชือกขาดก็คือแรงดึงดูดที่จะดึงให้ก้อนหินนั้นหมุนรอบตัวเรามันขาดลงมันก็เลยไป ไปตามทิศทางที่ถูกย้องไปอันนี้ก็เหมือนกันจิตใจของพวกเราก็จะออกจากโลกนี้ไปทีละขั้นก่อนสามขั้นแรกนี้ยังออกไปไม่หมดเช่นขั้นที่หนึ่งพระโสดาบันนี้ออกไปได้ในระยะหนึ่งแต่ยังต้องกลับมาเกิดในสังสารวัฏอีก ไม่เกินเจ็ดครั้งกว่าที่จะสามารถส่งดวงวิญญาณให้พ้นจากแรงดึงดูดของสังสารวัฏได้ <Okay. S 1> ถ้าบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วยังติดยังจะมีโอกาสต้องกลับมาเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมาก <Okay. S 1> เพราะจะค่อยๆถอยห่างออกจากโลกนี้ไปเรื่อยๆนั่นเอง okay. พอถึงชาติที่เจ็ดปั๊บมันก็จะหลุดออกไปจากการดึงดูดของของสังสารวัฏได้เฉั้นจากขั้นที่หนึ่งพระโสดาบันก็จะต้องปฏิบัติขึ้นสู่ขั้นที่สองการปฏิบัตินี้เรียกว่ามรคแล้วพอได้ผลเราก็เรียกว่าผลมรค ก, กับผลนี้เป็นเหมือนบันไดกับชั้นที่เราจะต้องเดินขึ้นไปในแต่ละชั้น เช่นอาคารนี้มีอยู่สี่มีอยู่สี่ชั้นด้วยกันจากชั้นล่างอยากขึ้นไปสู่ชั้นที่หนึ่งเราต้องทำยังไงเราก็ต้องเดินขึ้นบันไดกันถ้าไม่มีลิฟต์เราก็ต้องเดินขึ้นบั น, ดนไก ด, นนนดาการเดินขึ้นบันไดาจากชั้นล่างไปสู่ชั้นบนชั้นที่หนึ่งนี้เราเรียกว่ามรคมรคของชั้นที่หนึ่งพอเดินขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงชั้นที่หนึ่ง พอถึงชั้นที่หนึ่งแล้วก็เรียกว wie, ่าผลมากผลเป็นอย่างนี้เป็นของคู่กันเป็นบันไดกับชั้นที่เราต้องเดินที่เราต้องการจะขึ้นไปถ้าเราต้องการขึ้นสู่ชั้นที่หนึ่งเราก็ต้องเดินขึ้นบันไดจากชั้นล่างเพื่อขึ้นไปสู่ชั้นที่หนึ่งถ้าเราอยากจะขึ้นชั้นที่สองเราก็ต้องเดินบันไดจากชั้นชั้นที่หนึ่งขึ้นไปสู่ชั้นที่สอง มันถึงมีบันไดกับชั้นถ้ามีชั้นไม่มีบันไดก็ขึ้นไม่ได้เหาะขึ้นไปไม่ได้กระจกกระโจรโจขึ้นไปไม่ได้ต้องมีบันไดนนี่คือมรรคกับผลเป็นอย่างนี้มรรคก็คือการปฏิบัติทานศีลภาวนานี่เองของแต่ละชั้นปฏิบัติทานศีลภาวนาแล้วก็จะพาให้เราขึ้นไปสู่ชั้นที่หนึ่ง พอถึงชั้นที่หนึ่งเราก็ปฏิบัติทานศีลภาวนาของชั้นที่สองเราก็จะขึ้นไปสู่ชั้นที่สองขั้นตอนเราก็ปฏิเราก็จะเล่นโสดาปฏิมักมักที่จะพาให้ขึ้นไปสู่การเป็นพระโสดาบันการที่จะเป็นพระโสดาบันได้ก็ต้องเจริญปัญญาขั้นต้นก็ต้องมีทานศีลสมาธิก่อนทุกคนที่จะ ขึ้นไปสู่พระอริยบุคคลได้นี้เบื้องต้นต้องทำบุญทาทานรักษาศีลแล้วก็นั่งสมาธิให้ได้เต็มร้อยก่อนให้ได้เต็มร้อยทานก็มีเท่าไหร่ก็ให้หมดเก็บไว้เพียงแต่เท่าที่จำเป็นที่จะต้องใช้ส่วนที่เกินนี้ที่ไม่ต้องใช้นี้ไม่เก็บเอาไว้แล้วก็ไม่เอาไปใช้ทางอื่นไม่เอาไปเที่ยวไปกินไปดื่ม สำหรับผู้ที่จะต้องการไปพระ น, นิพพานนี้ต้องเลิกแสวงหาความสุขจากโลกนี้เงินทองมีไว้ใช้สําหรับเลี้ยงดูร่างกายเท่า น, นั้นหรือถ้าไปบวชได้ก็ไม่ต้องมีเงินทองเลยก็จะได้ทําทานร้อยเปซเมื่อได้บวชแล้วก็จะได้รักษาศีลได้ร้อยเปเมื่อได้รักษาศีลร้อย์ก็จะได้เจริญสมาธิได้ร้อยเปซ พอได้สมาธิได้อุเบกขาร้อยเอร์เซ็นแล้วทีนี้ก็มาเจริญปัญญาขั้นของพระโสดาบันขั้นของพระโสดาบันนี้ต้องศึกษาขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตายรักคือไม่เที่ยงไปบังคับให้มันเที่ยงไม่ได้บังคับให้รูปไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้ บังคับให้เวทนาให้สุขอย่างเดียวไม่ได้จะต้องมีสุขบ้างทุกบ้างไม่สุขไม่ทุกบ้างเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะเขาเป็นธรรมชาติเขาไม่ได้เป็นตัวเราของเราตอนนี้เราคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเรากําลังคิดว่าเวทนาความรู้สึกสุขทุกไม่สุขไม่ทุกนี้เป็นของเราเราคิดว่าเราควบคุมได้สั่งได้ ซึ่งบางเวลาเราก็ทำได้เช่นเวลามันร้อนเราก็ไปอาบน้ำให้มันเย็นได้เวลามันหนาวก็หาผ้ามาห่มให้มันอุ่นได้แต่มันจะมีเวลาบางเวลาที่เราทำไม่ได้เช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยร้อนเป็นไข้สูงแล้วก็มีอาการเจ็บปวดรวดแล้วเท้สาสะพานกาย เราจะให้มันหายไปมันก็ไม่หายเพราะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเรามันไม่ได้อยู่ภายใตย้ใต้อำนาจของเรานั่นเองเราต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศวันนี้เราไปสั่งให้ดินฟ้าอากาศไม่เป็นอย่างนี้ไม่ได้สั่งให้ลมหยุดพัดไม่ได้สั่งให้ฝนหยุดตกฝนหยุดตกไม่ได้ สั่งให้แดดออกไม่ได้แต่เราอยู่กับมันได้เราไม่ทุกข์กับมันได้เพราะเรายอมรับสภาพเรายอมอยู่กับมันลมจะพัดก็ปล่อยมันพัดไปฝนจะตกก็ปล่อยมันตกไปชันใดขันห้าของพวกเราก็เป็นอย่างนี้ร่างกายของพวกเราแล้วก็ความรู้สึกที่เราได้รับผ่านทางร่างกายมันก็เป็นเหมือนดินฟ้ากับ ร่างกายมันจะแก่เราก็ห้ามมันไม่ได้มันจะเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ห้ามมันไม่ได้มันจะตายเราก็ห้ามมันไม่ได้แต่เราจะไม่ต้องทุกข์กับมันได้ถ้าเราทุกข์ก็แสดงว่าเราอยากให้มันไม่เป็นเวลามันแก่เราไม่อยากให้มันแก่เราก็ทุกข์กันมา เวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่อยากให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะทุกข์ขึ้นมาเวลามันจะตายเราไม่อยากให้มันตายมันก็จะทำให้เราทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นธรรมชาติที่เราห้ามไม่ได้มันเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเราห้ามมันไม่ได้ฝนจะตกแดดจะออกลมจะพัดนี้เราไปห้ามมันไม่ได้เราจึงไม่ค่อยทุกข์กับดินฟ้าอากาศเท่าไห เพราะเราปรับใจของเราให้รับกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศได้ฉะนั้นเราก็ต้องมาสอนใจให้ปรับจิตใจของเราให้รับกับสภาพของขันห้าให้ได้คือให้รับสภาพของการเปลี่ยนแปลงของร่างกายให้รับกับสภาพของการเปลี่ยนแปลงของเวทนาคือความรู้สึกสองตัวนี้เท่านั้นอีกสามตัวคือสังขาร สัญญาเวิญญานี้มันจะตามตามเวทนาถ้าเราคุมเวทนาได้เราเราเข้าใจเวทนาเราก็จะเข้าใจสัญญาสังขารวิญญาณไปด้วยฉะนั้นเราไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องการพิจารณาสัญญาสังขารวิญญาณให้กังวลอยู่กับการพิจารณาเวทนาเท่านั้นให้ดูว่าตอนนี้เวทนาเป็นอะไรตอนนี้กำลังทุกข์กำลังเจ็บก็สอนใจว่าอย่าไป ถ้าไม่ให้มันเจ็บสอนใจว่ า, าหัดอยู่กับมันไปใจอยู่กับเวทนาได้ทุกรูปแบบเหมือนกับใจรับกับดินฟ้าอากาศได้ทุกรูปแบบถ้าตอนนี้จะมีพายุฝนแรงขนาดไหนจิตใจของพวกเราก็รับได้อย่างมากเราก็ย้ายร่างกายถ้านั่งอยู่ในที่แจ้งเราก็หลบเข้าไปข้างในเพราะเราไปหยุดพายุฝนไม่ได้แต่เรา สามารถที่จะไม่ทุกข์กับพายุฝนได้เพราะเราไม่ได้ไปมีความอยากไม่ให้พายุฝนเกิดขึ้นนั่นเองฉะนั้นความทุกข์ที่เราได้จากเวลาที่ร่างกายแก่เจ็บตายก็เกิดจากความอยากของเรานี้เท่นั้นเพราะเราไม่เห็นว่าร่างกายไม่เห็นว่าขันห้านี้เป็นธรรมชาติเราไปเห็นว่ามันเป็นตัวเราเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้บังคับได้ แต่มันควบคุมได้บางเวลาในบางเรื่องบางส่วนแต่จะไม่สามารถควบคุมบังคับมันได้ทุกเรื่องทุกส่วนนั่นเองดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับขันห้ากับร่างกายของเรากับความรู้สึกที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราเราก็ต้องรู้จักปรับใจของเราให้รับกับการเปลี่ยนแปลงของขันห้าให้ได้ ให้รับกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของความรู้สึกให้ได้ร่างกายแก่ก็ปรับใจให้เรารับกับความแก่ร่างกายเจ็บไข้ายได้ปวดก็ปรับใจรับกับเวทนาความเจ็บปวดของร่างกายเราต้องปรับให้รับกับมันได้เหมือนกับเราปรับให้รับกับดินฟ้าอากาศได้ถ้าเราปรับได้เรายอมรับสภาพของความจริง ของขันห้าว่าบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์บาง ท, กางทีก็เป็นหนุ่มเป็นสาวบางทีก็ต้องเป็นคนแก่บางทีก็ต้องเป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีก็ต้องเป็นคนตายถ้าเราปรับใจได้คือปล่อยวางขันห้าท่า น, นั่นเองปล่อยวางป ล, าปล่อยให้เขาแก่ไปปล่อยให้เขาเจ็บไปปล่อยให้เขาตายไป ใจเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะได้เป็นพระโสดาบันขึ้นมานนี่คือวิธีที่จะปฏิบัติต้องปฏิบัติที่มักผลมันจะตามมาเองเราจะไปบอกว่าต่อไปนี้เราจะเป็นพระโสดาบันโดยไม่ปฏิบัตินี้ไม่มีวันเป็นไปได้จะบอกตัวเองร้อยครั้งแสนครั้งว่าจะเป็นพระโสดาบันจะเป็นพระโสดาบัน แต่ถ้าปล่อยวางขันห้าไม่ได้ก็เป็นไม่ได้ถ้าอยากจะเป็นท่าโสดาบันก็ต้องปล่อยวางขันห้าให้ได้พอปล่อยวางได้แล้วเนี่ยมันเราปล่อยวางนมพัดตอนเนี้พัดก็ปล่อยมันพัดไปเราก็ไม่เป็นเดือดร้อนกับมันถ้ามันมากระทบกับร่างกายเราแล้วก็หลบไปแต่ใจเราไม่หวั่นไหวเพราะนมนี่มันไม่มั น, ม, ม, นม่ไปพัดใจเราไม่ได้มันพัดเพียงแต่ร่างกายของเราเท่านั้น แล้วถ้าเราเห็นว่าร่างกายของเราไม่ได้เป็นตัวเราเราก็ไม่เดือดร้อนร่างกายจะถูกพายุพัดขึ้นไปบนท้องฟ้ามันเราก็ไม่เดือดร้อนเราเป็นใจเราไม่ได้เป็นร่างกาย<ม>นี่คือมรรคผลข่านที่หนึ่งเรียกว่าโสดาปฏิมกรโสดาปฏิผลพอได้เป็นพระโสดาบันแล้วนี่ท่านบอกว่าก็จะ จะกลับมาเกิดในสังสารวัฏ น, นี้ได้อีกไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากถ้ายังไม่ได้ขึ้นไปสู่ขั้นที่สูงกว่านี้แต่ส่วนใหญ่ผู้ที่ได้โสดาบันแล้วก็มักจะไม่ไม่อยู่เฉยๆแล้วจะมีกําลังใจที่อยากจะปฏิบัติขั้นสูงต่อไปจากขั้นโสดาบันก็ทีนี้ก็อยากจะขึ้นไปสู่ขั้นสกิทาคามีแล้วทีนี้ มักที่จะต้องใช้ในการขึ้นไปสู่ขั้นสกิรดาคามีก็คือต้องจเจริญอ ส, สุภะ <Okay. S 1> เพราะว่าตัวปัญหาที่ทำให้ใจทุกข์นั้นคือกามราคะนี่เองคือความอยากเสกกามความอยากร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้ด <Okay. S 1> งนั้นวิธีที่จะหยุดความอยากนี้ ก็ต้องมองร่างกายของคนที่เราอยากจะร่วมหลับนอนดูร่างกายตอนที่ไม่น่าดูว่าเป็นอย่างไรเช่นดูอาการสาสิบสองของร่างกายร่างกายที่เราเห็นนี้เราเห็นเพียงห้าส่วนเท่านั้นเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นฟันเห็นหนังแล้วพอแต่งผมแต่งฟันแต่งเล็บให้มันดูน่าดูก็เลยทำให้เกิดการมารมขึ้นมาพอเห็น ผมขนเล็บฟันหนังที่สวยงามก็เกิดกามอารมณ์อยากจะร่วมเสพกามด้วย <Yeah. S 1> แล้วถ้าไม่ได้เสพก็จะเกิดความหงุดหงิดลำคาญใจเกิดความเหงาเกิดความว้าเหวเรียกว่าเกิดความทุกข์ขึ้นมาผู้ที่ไม่รู้จักการเจริญสุภา์ก็จะแก้ด้วยการไปร่วมหลับนอนกันเวลาเหงาเวลาเกิดอารมณ์ก็ไปร่วมหลับนอนกัน พอได้ร่วมหลับนอนกันอารมณ์เหงาอารมณ์ว้าเหวก็หายไปชั่วคราวแต่จะไม่หายไปอย่างถาวรเดี๋ยวอีกวันสองวันก็เหงาขึ้นมาอีกนะเกิดว้าเหวขึ้นมาอีกนะอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะกําจัดความเหงาความว้าเหวความหงุดหงิดลำคาญใจที่เกิดจากการมีการอารมณ์ต้องใช้วิธีอสุภะเจริญอสุภะ มาพิจารณาดูอาการอื่นของร่างกายกันอย่าดูแต่เฉพาะข้างนอกให้เข้าไปดูข้างในบ้างข้างในของร่างกายนี้มีอาการเยอะแยะที่เรามองไม่เห็นกันอยากจะเห็นว่าภายใต้ผิวหนังของร่างกายมีอะไรก็ไปดูหนังสือของนักศึกษาแพทย์นักศึกษาแพทย์นี้เขาจะศึกษาอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายในร่างกาย เปิหนังสือเขาเรียก a ต a t o m y กายวิภาคเขาจะมีภาพวาดบ้างภาพถ่ายบ้างให้เราดูกันเราก็จะเห็นว่าภายใต้ผิวหนังก็จะมีเนื้อเนื้อที่เกาะติดอยู่กับกระดูกเราก็จะเห็นโครงกระดูกเนื้อร่างกายของพวกเราทุกคนนี้มีโครงกระดูกกันนะแต่มใีใครเคยเห็นกันบ้างถ้าใจเกิดมาเคยเห็นโครงกระดูกของเราบ้างไหม เคยนึกถ k k beneath, right? mm ึงโครงกระดูกของเราบ้างไหมเวลาถ่ายรูปแล้วนี่เราเคยนึกว่ารูปที่เราเห็นเนี่ยที่มันยืนอยู่ได้นีก็เพาะโครงกระดูกนี่ถ้าไม่มีโครงกระดูกนี้ร่างกายมันจะยืนอย่างนี้ไม่ได้หรอกโครงกระดูกนี้มันเป็นเหมือนโครงสร้างของตัวอาคารอาคารตึกสูงๆนี้ต้องมีโครงสร้างถ้าไม่มีโครงสร้างมันตั้งอยู่ไม่ได้แต่เราไม่เคยมองมันไม่เคยคิดถึงมัน พไม่มีใครสอนให้เรามองกันนั่นเองพอเราเห็นร่างกายเราก็เลยเห็นเพียงส่วนภายนอกพอเห็นส่วนภายนอกที่ได้รับการตกแต่งให้ดูสวยงามเราก็เกิดการมารมกันขึ้นมาแต่ถ้าเรามาศึกษาดูส่วนอื่นๆของร่างกายที่มีอยู่ภายในภายใต้ผิวหนังก็มีโครงกระดูกมีใครไม่มีโครงกระดูกบ้างลองเคาะ ข้อศีรษะดูเสียแข็งโปกเลยเนะี่ยมีผิวบางๆห อ, อกกะโหลกศีรษะไว้ทุกคนแต่ไม่เคยมองเห็นกระโหลกศีรษะพอเห็นหน้าตานี้หลงหลเท่มคล้ายข้างใครกันอยิ่งเป็นหน้าตาของดาวลงดาราโอ้โหเห็นแล้วออยากจะใกล้ชิดอยากจะสัมผัสถ้าคิดสักนิดว่าภายใต้ผิวหนังของหน้าตาที่สวยงามนี้มันมีอะไรอยู่บ้างออ มันก็จะนึกถึงกะโหลกศีรษะขึ้นมาทันทีใม่ไหมนี่คือการเจรณาสุภะเธอให้มองส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายกะโหลกศีรษะนี่น่าดูน่าชมมีใครอยากจะเอากะโหลกศีรษะเก็บไว้ในบ้านตรงไหเวลาพ่อแม่หรือแฟนตายนี่ขอสับปเปล่ว่าเดี๋ยวลุงช่วยเก็บกะโหลกศีรษะของแฟนให้หนูหน่อยนะหนูจะเก็บไว้เป็นที่ระลึก ไม่มีใครอยากจะเก็บเอาไว้นะ <suppress. S 1> นี่คืออสุภะเนียร่างกายนี้มันไม่ได้สวยอย่างที่เราคิดเรามันสวยเพราะมันได้มันได้รับการตกแต่งได้การอัมพรางอัมพรางให้สวยเหมือนเทวดาเลยเมื่อวานนี้มีคนแต่งงานคนหนึ่งโอ๊ย pues, มองหน้าจําไม่ได้เลยผู้หญิงแต่งหน้าเหมือนกับเป็นเทพเทวดาลงมาจากสวรรค์ธรรมดาหน้าตามันก็ไม่เห็นอย่างเป็นอย่างนี้ พมีคิ้วมีบลิฟต์สติมีอะไรถังแต่งหน้าฮโอ้ดูแล้วเหมือนกับเป็นนางฟ้าเลยนั่แหละมันเป็นการอภรรยาความจริงเนี่เพระาะศาสนาพูดเราให้มองความจริงกันจะได้ไม่หลงไหลความจริงของร่างกายก็คือเนี่ยมันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็แก่แล้วมันมันจะสวยไปได้สักกี่ปีกันเดี๋ยวหนังมันใกล้เหี่ยว เดี๋ยวผมมันก็หงอกจะพิจารณาอย่างนี้ก็ได้ว่าเป็นอสุภะตอนนี้มันสวยมันน่าดูแต่เดี๋ยวต่อไปมันจะไม่สวยไม่น่าดูไม่เชื่อไปดูรูปของพ่อแม่เราก็ได้ปู่ย่าตายายดูรูปที่วันที่เขาแต่งงานกันดูแล้วดูรูปในปัจจุบันดูว่าเป็นยังไงวันแต่งงานนี่โทั้งหลอ่อทั้งสวยกันพ่อก็สวยแม่ก็สวยแล้วพอมาดูปัจจุบันนี้เป็นยังไง พออายุ 80-90 แม่อายุ 80-90 เนี่ยนั่งอยู่บนเห็นไหมเนี่ยนั่งอยู่รดเข็นเนี่ยเมื่อก่อนก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกเมื่อก่อนนี้สวยจะตายไปถ้าไม่สวยจะมีแฟนได้ยังไงสวยด้วยกันทุกคนแต่พอเวลาผ่านไปผ่านไปมันก็สุกงอมขึ้นมาต่อไปร่างกายก็กลายเป็นคนแก่คนเจ็บไปนี่คือการจเจริญสุภาพในลักษณะต่างๆ อย่มองความแก่มองความเจ็บความตายของร่างกายก็ได้มองซากศพ ข, ของร่างกายก็ได้แต่ไม่เวลาคนตายไปนวดน้ดําศพดูน่ารักไหอถ้าแฟนเราตายวันนี้เราจะเก็บแฟนไว้ในบ้านไหมไม่เก็บแล้วถ้ายังไม่ตายนี่ห่วงหึงห่วงใครมาแตะไม่ได้แต่พอไม่มีลมหายใจท่านั้นน่ะยกให้สับเปลืกเลย จ้างไปเลยให้ค่าจ้างเขาด้วยเนี่ยตั้งมองสุภาแบบนี้ทีนี้การจะมองสุภานี้มันต้องมองแบบไม่ลืมมองแป๊บนึงเดี๋ยวถ้าไม่คิดอีกมันลืมได้เร็วฉะนั้นเบื้องต้นนี้มันจะต้องคอยนึกอยู่เรื่อยๆคอยคิดอยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่เห็นร่างกายพอจะเห็นว่าสวยปั๊บต้องนึกว่าไม่สวยละต้องเห็นกระโหลกศีรษะแล้วต้องเห็น ตับไตไส้พุงนะต้องเห็นเวลาแก่เวลาผมหงอกเวลาหนังเหี่ยวว่าเป็นอย่างไรเนี่ยนี่คือการเจริญนสุพะทีนี้การจะเจริญให้มันต่อเนื่องให้มันไม่หลงไม่ลืมนี้มันต้องใช้เวลาต้องนึกอยู่เรื่อยนึกอยู่เรื่อยเหมือนท่องสูตรคูณเนี่ยถ้าเราท่องขนเดียวเนี่ยเดี๋ยวเราลืมนะเราต้องท่องมันอยู่เรื่อ ย, อยส่วนมนก็เหมือนกัน ถ้าสวดมวนต์แค่ครั้งเดียวเลยแล้วไม่มาสวดใหม่เดี๋ยวก็จําไม่ได้แนะแต่ถ้าเราสวดอยู่เรื่อยๆสวดอยู่ทุกวันทุกคืนทุกเช้าทุกเย็นเดี๋ยวมันก็ฝังอยู่ในใจของเราพอจะสวดปับ๊บมันก็จําได้ไม่ต้องมาเปิดหนังสือดูอสุภาษนี่ก็เหมือนกันเราต้องนั่เลิกอยู่เรื่อยๆแล้วเลิกอยู่เรื่อยๆคิดถึงมันอยู่เรื่อยๆคิดถึงส่วนที่ไม่สวยไม่งามของร่างกายอยู่เรื่อยๆแล้วมาทดสอบดูเวลาเห็นร่างกายของ ของคนที่สวยที่น่าดูแล้วเรานึกถึงคสุภธทันหรือไม่ถ้าบางทีลืมไปเลยทั้งทั้งที่เวลาเจริญสุภาพก็นึกอยู่ได้แต่พอไปเห็นของจริงเข้าลืมไปหมดเลยอันนี้เพราะว่ายังยังระลึกไม่มากพอยังไม่ฝังอยู่ในใจพอต้องพยายามระลึกอยู่เรื่อยๆในการที่จะบรรลุถึงขั้นที่สองคือขั้นสกิดาคารีท่านบอกว่า คือสามารถระลึกได้ประมาณครึ่งหนึ่งคือบางบางทีก็ระลึกได้บางทีเห็นร่างกายสวยๆงามๆก็นึกถึงอริยภาพได้บางทีก็ระลึกถึงไม่ได้<ม>ก็ยังไม่สามารถกาจัดกามอารมณ์ได้ร0อยเปรซเรียกว่ากาจัดได้ทำให้เบาบางลง<ม>ประมาณห0าบห้าบางเวลานึกได้ก็กามอารมณ์ก็ดับไป บางเวลานึกไม่ได้การอารมณ์ก็ลุกขึ้นมาเหมือนไฟเผาจิตใจทําให้รู้สึกว้าเหวรู้สึกโมกติดําคาญใจขั้นที่สองนี้เราเรียกว่าขั้นพระสกิดาคางีสามารถทําให้การอารมณ์ที่มีอยู่ในใจนี้เบาบางลงการเป็นโสดาบันนี้ไม่มีอสุภะเลยเห็นที่ไรก็เกิดเห็นร่างกายของใครที่น่าดูน่าชมก็เกิดกามอารมณ์ขึ้นมาทันที หรือบางทีไม่ต้องเห็นเพียงแต่นึกก็ได้นึกถึงร่างกายของคนนั้นคนนี้ก็เกิดการมารมขึ้นมาได้พระโสดาบันยังไม่ยังไม่ได้เจริญอสุภะเจริญแต่เรื่องอนิจจังของร่างกายเรื่องอนัตตาของร่างกายแต่ยังไม่ได้เจริญเรื่องอสุภะก็ยยังมีการมารมร้อยเป์เซ็แต่พออยากจะขึ้นระดับสูงขึ้นไปก็เลยต้องมาหัดเจริญอสุภะอย่างต่อเนื่อง เดินขึ้นมาก็ระลึกถึงอนสุภะเลยมองหน้าของตนในกระจกก็นึกถึงอนสุภะมองเห็นครงรเห็นกระโหลกศีสะที่อยู่ภายใต้ผิวหนังเห็นโครงกระดูกเห็นตับไตไส้พุงหรือเห็นส่วนโสที่สกปรปกของร่างกายก็ได้ร่างกายก็มีการขับถ่ายของที่ไม่ไม่าดถนาไม่น่าดูน่าชมมีอยู่ตลอดเวลามีทั้งอยู่ภายในร่างกาย และมีทั้งอยู่ในที่ขับถ่ายออกมาแต่ถ้าลองคิดถึงส่วนสิ่งที่สกปรกที่มีในร่างกายมันก็จะทําให้การอารมณ์นี้มันหายไปได้ถ้าทําได้เป็นเพียงบางเวลาก็จะได้ขั้นที่สองคือขั้นพระสะกิดาคามีแตถ้าใครได้ถึงขั้นพระสะกิดาคามีความอยากที่จะกลับมาเกิดในการมมาพบก็เหลือเพียงชาติเดียว พอมันไม่มีแรงผลักดันให้กลับมาเกิดเกดชาติเหมือนพระโสดาบันพอเริ่มเห็นกามเริ่มเห็นอกสุภะอยู่เรื่อยๆมันก็ไม่มีความอยากที่จะมาเสกกามนั่นเองเพราะนั้นการจะกลับมาเสกกามในกามะพบนี้สําหรับพระสะกิดาคามีนี้ก็มีเหลืออยู่เพียงชาติเดียวเท่านั้นเป็นอย่างมากอาจจะไม่กลับมาเกิดเลยก็ได้ถ้า ปฏิบัติอสุภะได้เต็มร้อยต่อไปขั้นต่อไปก็พยายามรลเลึกถึงอสุภะตลอดเวลาพอเห็นร่างกายของใครปั๊บอสุภะมาทันทีเลยพอนึกถึงร่างกายของใครปั๊บอสุภะมาทันทีเลยพอสามารถมีอสุภะร้อยเปอร์เซ็นตตลอดเวลาพอเห็นร่างกายที่สวยงามปุ๊บอสุภะก็มาทันทีการอารมณ์ที่จะเกิดก็เกิดไม่ได้ขึ้นมาเลย พอถึงขั้นนั้นแล้วเราก็เรียกว่าเป็นขั้นของพระ อ, อนาคามีขั้นที่สา ม, มขั้นที่ทำให้ไม่ต้องกลับมาเกิดในกามมาพบอีกต่อไปแต่พระ อ, อนาคามีนี้ยังไปติดอยู่รูปภพกับอรูปภพ<ม>เพราะว่าการที่จะเลิกเสพกามได้ก็ต้องมีอย่างอื่นมาให้เสพแทนเหมือนคนที่เลิกสูบบุหรี่ใหม่ๆนี้ ก็ต้องมีหมากฝรั่งมาให้เคี้ยวแทนถ้าไม่มีหมากฝรั่งเคี้ยวเวลาอยากสูบบุหรี่มันก็รู้สึก อ, อึดอัดขึ้นมาแต่พอเอาหมากฝรั่งมาเคี้ยวหน่อยเออเคี้ยวแทนบุหรี่ก็ไม่ต้องสูบบุหรี่ก็เลิกบุหรี่ได้แต่ทีนี้ไปติดหมากฝรั่งใช้แล้วอยังขั้นต่อไปก็ต้องไปหยุดต้องไปเลิกเคี้ยวหมากฝรั่ง เวลาอยากจะเที่ยวหมาฝรั่งก็บอกว่ากูไม่เคี้ยวมึงก็กูก็ไม่ตายเมื่อก่อนกูไม่เที้ยวมึงกูก็อยู่ได้อันนี้ก็เหมือนกันผู้ที่ต้องการจะเลิกเสพการก็ต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการเสพการ ม, มาเข้าฌานกันมานั่งสมาธิกันมาเข้าฌานเข้ารูปฌานบ้างเข้าอรูปฌานบ้างพอพอเลิกเสพ ร่างกายได้เริ่มเสพการได้รูปเสียงกลิ่นก็ได้ก็ไปติดรูปประชานแทนไปติดอรูปประชานแทนถ้ายังติดรูปประชานอา ป, ประชานอยู่ก็ยังต้องไปเกิดในรูปประพบอารูปประพบอยู่ยังไม่สามารถที่จะออกจากนิพพานออกจากสังสารวัฏไปสู่พระนิพพานได้ดังนั้นพอเป็นพระอนาค า, ามีแล้วขั้นต่อไปก็ต้องมาเลิกเสพรูปประชานอรูปประชานที่เคยเสพเพราะว่า ให้พิจารณาเห็นว่าถ้ายังติดมันก็ยังทุกข์อยู่เวลาไม่ได้เสพมันจะทุกข์เช่นเวลาเคี้ยวหมากฝรั่งเวลาได้เคี้ยวก็มีความสุขเดี๋ยวพอหมากฝรั่งหมดไม่มีขายขึ้นมาเดี๋ยวก็ทุกข์ขึ้นมาได้แต่ถ้าเลิกเสพหมากฝรั่งได้ก็จะไม่ทุกข์ติดต่อไปไม่มีความทุกข์คนที่เไม่เคี้ยวหมากฝรั่งเขาไม่เดือดร้อนคนที่เคี้ยวหมากฝรั่งก็ต้องเคี้ยวอยู่เรื่อยๆต้องมีใช้เคี้ยวอยู่เรื่อยๆ งั้ก็ต้องมาเลิกเลิกเสพรูปประชานเลิกเสพอรู ป, ประชานพอเลิกได้ทีนี้ก็จะทีนี้ก็จะไม่มีความอยากในรูปประชานหรือในอรู ป, ประชานก็จะไม่มีแรงดึงดูดที่จะดึงให้ไปเกิดในรูปภพกัพบอารมูภพทีนี้ก็จะหลุดออกจากแรงดึงดูด ท, ทั้งสามตัวลยออกจากแรงดึงดูดของ กามตัณหาที่จะดึงให้ไปเกิดในกามปพบออกจากแรงดึงดูดของรูภาวะตัณหาที่จะดึงให้ไปเกิดในรูประพบและออกจากแรงดึงดูดของวิภาวะตัณหาที่จะดึงให้ไปติดในอรูประพบะต้องเลิกเสพรูประชานเลิกเสพอรูประชานอันนี้สําหรับพระอนาคางี สำหรับพวกเรานี้เรายังไปไม่ถึงขั้นนั้นว่าเราเป็นปู่จุชนนี้ยังเสพกามะตันหายเกงเสพกามอยู่เสพรูปเสียงกลิ่นลดอยู่เราก็ต้องเลิกด้วยการมาหัดนั่งสมาธิกันมาหัดเสพรูปประชานอรูปประชานกันก่อนแล้วพอเวลาที่ใจอยาก จ, จะเสพกามรูปเสียงกลิ่นรดเราก็ใช้อสุภะใช้อนิจังทุกขังอนัตตามาห้ามแล้วเราก็มาเสพ รูปประชานะรูปประชานแทนแต่พอเราเลิกเสพกรรมได้แล้วเราก็จะมาติดรูปประชานกรรรูปประชานเราก็ต้องมาสอนใจให้เลิกเสพเพราะมันก็ยังเป็นเหมือนยาเสพติดอยู่เวลาไม่ได้เสพก็ยังจะทำให้ใจทุกข์อยู่ได้เฉนั้นต้องต้องเลิกเสพถึงแม้ว่าจะเป็น เ, เป็นความสุขที่ดีก็ตามแต่ยังเป็นความสุขที่ไม่ถาวรเป็นความสุขชั่วคราว เวลามันไม่มีมันก็จะทำให้ใจรู้สึกอ้างวาง้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายฉะนั้นเวลาอยากจะเสบรูปประชาญก็ใช้ปัญญาสอนว่าอย่าเสบเสบแล้วจะติดแล้วก็จะต้องเสบอยู่เรื่อยเวลาไม่มีเสบก็จะทุกข์แต่ถ้าเลิกเสบได้ไม่มีความอยากเสบต่อไปใจก็จะไม่ทุกข์เพราะความอยากนี่แหละเป็นตัวที่ทาให้ใจทุกข์ไม่ใช่อะไรที่ไหนพอเราเลิกความอยากเสบรูปประชาญได้ เสพารูณ ป, ประชานได้ความอยากที่จะดึงให้ใจเราติดอยู่ในไตรภพก็หมดลงไปแรงที่จะดึงให้ใจเรากลับมาเกิดในสังสารวัตก็หมดไปใจของเราก็จะหลุดออกจ า, สจากสังสารวัตรอย่างสมบูรณ์เข้าสู่พระนิพพานทันทีมรรคสี่ผลสี่พอถึงขั้นผลที่สี่ปั๊บมันก็จะเข้าสู่พระนิพพานเลย อ น, นิพานก็คือใจที่มีความสุขตลอดเวลาใจที่ไม่ติดกับอะไรคนที่ไม่ติดกับอะไรนี้สบายกับคนที่ติดคนที่ติดนี้ติดอะไรก็ต้องหามาเสพเวลาไม่ได้เสพก็จะทุกข์แต่คนที่ไม่หิวไม่ไม่ติดอะไรนี้ก็ไม่ต้องไปหาอะไรมาเสพไม่มีเสพก็จะไม่ทุกขนน์พระอรหันต์นี้พรอภิธเจ้านี้ไม่เสพอะไรต่อไป ไม่เสพกาไม่เสพ ร, รูปประชาญไม่เสเพารูปประชาญใจของท่านจึงกลายเป็นใจที่มีแต่ความสุขตลอดเวลาเรียกว่าปร r a m a n ขังเป็นใจสะอาดที่บริสุทธิ์ใจสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสตัณหาความอยากต่างๆความโลภความโกรธความหลงที่เป็นตัวคอยสร้างความทุกข์ให้กับใจพอใจได้ละความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจแล้ว ใจก็เป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาปราศจากกิเลสตัณหาที่จะมาคอยสร้างความทุกข์ให้กับใจต่อไปใจจึงมีแต่ความสุขตลอดเวลาความสุขตลอดเวลานี้เราเรียกว่าบรมมาสุปรมมังสุขขังเป็นความสุขที่ดีที่สุดที่สูงที่สุดเพราะไม่มีวันสิ้นไม่มีวันสุดไม่มีวันหมด ใจของพระพุทธเจ้าใจของพออาาระอรหันต์ตอนนี้ก็ยังเสพปานังสุขทั้งอยู่เสพอยู่ในพระนิพพานไม่ได้เสพอยู่ในตไตรักไตยภพเหมือนพวกเราพวกเราเสพความสุขของไตยพบแล้วก็ต้องมาทุกเวลาที่มันเสื่อมมันหมดไปเเดี๋ยวต่อไปตอนนี้ตอนนี้เราเป็นหนุ่มเป็นสาวเราก็เสพการกันได้ต่อไปเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายก็เสพไม่ได้ตอนนั้นใจของเราก็จะทุกข์ แล้วพอตายไปเราก็จะกลับมาเกิดใหม่มามีร่างกายใหม่เพื่อมาเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสใหม่ก็จะกลับไปกลับมาอย่างนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าที่เราจะได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วได้มาทำธุระของพระพุทธของพระพุทธศาสนาคือคัรถะธุระมาศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า วิธีที่จะทําให้ใจของเราได้มารู้ถึงมรรคสีผลสีนิพพานเนี่ยพอเราได้ศึกษาวิธีแล้วคือทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาเราก็ปฏิบัติกันทําทานมีเงินทองที่เคยเอาไปใช้เศษกรรมก็เอาไปทําบุญให้หมดแล้วก็มารักษาศีลมานั่งสมาธิมาทําใจให้สงบแล้วก็มาศึกษาปัญญา ให้เห็นไตรลักษณ์ให้เห็นอริ ย, ยสัจสีพอเราได้ทำอย่างนี้แล้วเราก็จะได้เข้าสู่การบรรลุถึงมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งตามลำดับต่อไปนี่คือเรื่องราวของชาวพุทธเราเรามีหน้าที่สองหน้าที่คือคันธะธุระและวิปัสสนาธุระคันธาธุระคือศึกษาเข้าใจคำสอน พอรู้แล้วว่าเราต้องปฏิบัติอะไรบ้างเราก็นําออกไปปฏิบัติเรียกว่าเป็นวิปัสสนาธุระไปทําให้แจ้งเราต้องทําให้มรรคผลนิพพานแจ้งขึ้นมาในใจของเรามรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งให้ปรากฏขึ้นมาในใจของเราให้ได้ด้วยการทําวิปัสสนาธุระต่อไปพอเราทําธุระทั้งสองอย่างนี้สมบูรณ์แล้วเราก็จะได้ เข้าสู่พระนิพพานได้ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าไปอยู่กับพระอริยสงฆ์พาาาระอรหันตสาวกได้นี่คือเรื่องราวที่นำม า, มาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาวะหาโปราปาลิกโเรนติสาขลง เอวเมีวะอิโตจินังเปต a นังปกปะติอิชิตังปะชิตังตุมหัคิดเปมีวสัมมิจโตสัพเพปเรนตุสักปาจาโทปนาวาโสยธามณิโชติวาโสยธาสัพพิตโยวิวัชานโต สัพพะโลกวินาศสัตว์มัตภวะตวันตาลอยสุขิตาโยโกภวะผิวัฒนสีฤทธามิจังวุฒาปจายโนยตาโรธรรมวัฏานติอายุวนโอสุขังปาลั ช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามอขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยจะเข้ามาถามเองก็ได้หรือจะเขียนใส่กระดานส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ทางบ้านมีผู้ติดตามเท่าไหร่คะจาก Facebook 443 YouTube 291วิทยุออนไลน์16 Zoom 7 ผู้รับฟังหน้ากุติ88รวม845สห้าท่านค่ะถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้เลยจากคุณพัชรินพระและแม่ชีขับรถได้ไหมคะในกรณีที่ต้องมีความจำเป็นาำรับพานี้คงไม่ได้นะเพราะว่าพระวินัยห้ามไม่ให้พระขับเคลื่อนยานลนต่างๆ ทำงานแม่ชีนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเค่งคัดของแม่ชีเองถ้าเป็นแม่ชีบ้านก็บังจะต้องขับรถกันคืสวดบวชชีแล้วก็หาวัดอยู่ไม่ได้ก็จะ อ, อยู่วันอยู่อยู่บ้านแทนก็ต้องไปซื้อกับข้าวไปทำกับข้าวบางแม่ชีอาจจะยังมีเรื่อต้องเลี้ยงลูกอยู่ก็อาจจะต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนอะไรทคือยังเป็นแม่ชีแบบเป็นแม่ชีบ้านอยู่ถือศีลเหมือนกับแม่ชีวัด แต่ถ้าเป็นแม่ชีวัดแล้วก็ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบของวัดเป็นหลักซึ่งวัดก็ให้ถือตามพระถ้าไม่ขับรถแม่ชีก็ไม่ขับรถจะคุณวสันทร การให้เงินทองสิ่งของกับพ่อแม่ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลหรือไม่ครับแล้วถ้าเราทาบุญกับพ่อแม่อย่างเดียวโดยไม่บริจาคไม่ถวายให้พระเลยในระดับบุญถือว่าเพียงพอหรือไม่ครับก็เป็นการทำบุญเหมือนกันแต่ประโยชน์ที่ได้อาจจะไม่เหมือนกันทำบุญกับพ่อแม่ก็เลี้ยงดูพ่อแม่ให้อยู่มีชีวิตอยู่สุขสบายแต่ถ้าไม่ทาบุญกับพระกับวัดต่อไปก็ไม่มีพระไม่มีวัดให้เรา ก็ต้องมันต้องดูประโยชน์ที่จะได้ด้วยจากการทำบุญชนิดต่างๆก็ต้องดูว่าที่ไหนขาดแคลนดูที่ไหนสำคัญด้วยในบรรดาสถาบันต่างๆในโลกนี้ไม่มีอะไรที่สำคัญเท่ากับพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาเป็นแหล่งของความรู้ของพันิพานที่ไม่มีที่ใดในโลกนี้สามารถที่จะสอนได้ถ้าไม่มีการ สนับสนุนพระพุทธศาสนามไม่มีพระมาไม่มีใครให้เงินพระ ไ, ไม่ไม่ไม่เลี้ยงพระเนี่ยไม่ให้ปัจจัยสี่พระก็เสกกันเองก็อยู่ไม่ได้นะอยู่แล้วอดตายอยู่ทง ไ, ไมก็ต้องก็ต้องไปเป็นคารวะแล้วก็ไปศึกษาไปปฏิบัติแบบคารวะไปอย่น้ก็ต้องดูว่าประโยชน์แล้ว ด้วยความต้องการของเราว่าเราต้องการสนับสนุนใครก่อนพ่อแม่ก็ต้องสนับสนุนวัดก็ต้องสนับสนุน<ช>เราก็ต้องแบ่งเป็นลําดับขั้นตอนขั<ช>้น <Sho. S 1> แ, แรกก็ต้องพ่อแม่ก่อนถ้าพ่อแม่อดอยากขาดแคลนเราก็ต้องดูแลพ่อแม่ก่อน <incorrect. S 1> แล้วต่อไปก็ไปดูวัดที่เขาอดยาขาดแคลนวัดที่เขาจเจริญแล้วมีไม่อดอยาขาดแ <viol instructors, S 2> คลนก็ไม่ต้องทําก็ได้ไปทําที่วัดที่เขาอดยากขาดแคลนต่อไป จากคุณมินสุดารัตน์มีคนบอกว่าถ้าอยากหายฟุง้งซ่านคิดเยอะให้ไปเรียนวาดรูปจะได้ผลทางด้านสมาธิจริงหรือไม่คะเพราะเหตุใดคะก็สู้การบริกรรมพุโทโธไม่ได้สู้การสวดมนต์ไม่ได้นี <c oughs> ไปเขียนวาดรูปมันก็ต้องคิดอีกอ่ะคิดไปเดี๋ยวก็เผลอไปคิดเรื่องที่ทําให้เราฟุ้งซ่านได้อีกงั้น <c oughs> สู้มาเรียนพุโทโธดีกว่า มาเรียนบริกรรมพุโทโธมาเรียนสวนมนดมนต์กว่าง่ายกว่าถูกกว่าไม่ยุ่งยากไปเรียนว่าเขียนก็ต้องไปหาครูต้องไปที่บ้านเขาที่โรงเรียนเขาต้องเดินทางไปมาเรียนสวดมนต์เรียนพุโทโธน่ง่ายจะตายไหเด็กก็ทำได้พุโทโธพุธโทโธไปสวดมนต์ไปคุณลมเปลี่ยนทิศกระผมอยากทราบว่า จะขอไปปฏิบัติธรรมที่วัดตลอดชีวิตได้ไหมครับก็ไม่รู้เหมือนกันจะต้องมาติดต่อทางวัดดูก่อนก็ต้องดูว่าเรามีคุณสมบัติที่เขารับเราได้หรือเปล่าถ้าเขารับไม่ได้ก็รับไม่ได้เพรไม่ใช่อยู่ที่เราคนเดียวอยู่ที่เขาด้วยเพราะเขาต้องอยู่กับเราถ้าเขาอยู่กับเราไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้ไงนั้นเราก็ต้องไปคุยกับวัดที่เราต้องการจะไปอยู่ คุณวิเชียนการเปิดกรรมแล้วแก้กรรมมีจริงหรือไม่ทําได้จริงหรือไม่แล้วเป็นวิธีแก้ไขที่ทําให้พ้นวิบากกรรมได้จริงหรือไม่ครับไม่จริงหรอเรื่องกรรมนี้ทําแล้วต้องเกิดผลกับเราอย่างแน่นอนจริงแต่ว่าช้าหรือเร็วเท่านั้นเองทาแล้วกรรมที่ทาแล้วไปลบล้างไม่ได้ทั้งดีและไม่ดีถ้าต้องการไม่ให้มีกรรมก็อย่าไปทากรรม ก่อนจะพูดอะไรก่อนจะทําอะไรก่อนจะคิดอะไรคิดให้ดีก่อนอทําไปแล้วจะมีความเสียหายหกลับมาหาเราหรือเปล่าถ้ามีก็อย่าไปทํามันดีกว่าเช่นไปลักทรัพย์นี่ไปประพฤติผิดปรเวณีไปโกหกหลอกลวงไปดื่มชุรายาเมาไปฆ่าสัตว์นี่ทำแล้วมันมีผลกลับมาไม่ดีก็อย่าไปทํามันจะได้ไม่ต้องไปแก้กรรมไปล้างกรรมให้เหนื่อยไปแบบ คุณแคทมีสองคำถามค่ะหนูนั่งสมาธิพิจารณากระดูกตั้งแต่หัวลงไปเท้ารู้สึกตุเรธมากจนจะอาเจียนดูต่อไปไม่ไหวลองทําให้หายไปโดยไม่คิดว่าโดยคิดว่าไม่เคยมีมาก่อนก็ไม่หายไปเลยลองมองให้สวยมันก็ไม่สวยทนดูต่อไปไม่ไหวต้องใช้กำลังใจต่อทาอย่างไรคะออต้องกลับมาทาสมาธิก่อน เวลาพิจารณาอะไรแล้วใจมันมีปฏิกิริยาไม่ดีก็อย่าเพิ่งไปพิจารณากลับมาทำสมาธิก่อนทําใจให้สงบให้เป็นอุเบกขาก่อนให้ใจสบายก่อนเราถึงค่อยไปพิจารณาเรื่องที่มันไม่น่าอันวัดมั น, ม, น, ม, นมันน่ากลัวเรื่องไม่น่าชมไม่น่าดูใจจะได้ไม่มีปฏิกิริยากับสิ่งที่เราพิจารณาคำถามที่สองของคุณแคท หนูนั่งสมาธิพิจารณาการเกิดดับของอารมณ์จนเกิดความเบื่อหน่ายจึงพิจารณาร่างกายแต่ต่อไปไม่ได้ค่ะหนูหันกลับมาพิจารณาเกิดดับต่อแบบนี้จะได้ไหมเจ้าคะหรือต้องเอาการพิจารณาร่างกายให้ถึงที่สุดไปเลยเจ้าคะยังรอยังต้องมาทำสมาธิให้จิตสงบเป็นฌานก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งไปพิจารณาอะไรไม่ว่าจะเกิดดับหรืออะไรทั้งหลาย ใจของเราถ้าไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขาพิจารณาไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรปล่อยวางไม่ได้อยู่ดีเรามาฝึกปล่อยวางด้วยสมาธิก่อนทำใจให้สงบปล่อยวางทุกอย่างให้ได้ด้วยกำลังของสมาธิแล้วก็ไปสอนใจให้ปล่อยวางด้วยปัญญาต่อไปคุณเอสเปโร ความอยากในความดีเช่นอยากช่วยเหลือคนช่วยเหลือสัตว์ถือเป็นความอยากที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหรือไม่เพราะบางครั้งเราอยากทำดีแต่ทำไม่ได้รู้สึกเสียดายค่ะคือการทำความดีมันมีหลายระดับระดับต่ำมันก็อาจจะมาขวางระดับสูงได้เช่นถ้าเราทำทานช่วยเหลือคนนั้นคนคนีนนน้เราก็จะไม่มีเวลาไปภาวนา ซึงเป็นความดีระดับสูงเน้น mm. เราก็ต้องเลือกว่าตอนนี้เราต้องการที่จะทำความดีในระดับไหนถ้าเราต้องการทำความดีระดับสูงเราก็ไปบวชไปอยู่คนเดียวไปภาวนา mm. ถ้าเราอยากจะทำความดีระดับต่ำเราก็ยังไม่ต้องบวชเราก็ทำบุญทำทานช่วยเหลือสังคมไปตามกำลังของเรา mm. ความดีมันมันเป็นระดับและมันอาจจะมาขวางกันได้เ mm. ส่วนใหญ่เราก็ต้องทําจากระดับล่างขึ้นไปก่อนทําดีทําให้ใจเรามีความสุขเพื่อที่จะได้รักษาศีลแล้วไปภาวนาได้ทําเพื่อเป็นเหมือนเป็นบันไดขั้นบันไดยอย่าไปทําความดีระดับต่ําแล้วไปติดมันไม่ยอมขึ้นไปทําความดีระดับสูงอจะขอทําบุญทําทานจะช่วยเหลือคนนั้นช่วยเหลือคนนี้ไปเรื่อยๆพอจะให้ไปรักษาศีลภาวนาก็ไม่ไปอย่างนี้ ถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าติดความดีระดับต่าก็จะไม่สามารถขึ้นไปสู่ความดีระดับสูงได้เมื่อเราทำความดีระดับต่าได้แล้วเราลดละความเห็นกับตัวของเราได้แล้วเรารักษาศีลได้แล้วเราก็ควรที่จะขึ้นไปทำความดีระดับสูงต่อไปหรือบางทีเราอาจจะแบ่งสลับกันไปก่อนก็ได้เบื้องต้นถ้าเรายังไปทำความดีระดับสูงแบบเต็มที่ไม่ได้เราก็แบ่งวันกัน สมวันทำความดีระดับต่ำสาวันทำความดีระดับสูงสลับกันไปก่อนแล้วต่อไปพอเห็นประโยชน์ที่ได้รับจากการทำความดีระดับสูงมันดีกว่าเราก็จะทำความดีระดับสูงมากขึ้นไปตามลําดับต่อไปได้คุณหมิงจะต้องทำใจอย่างไรให้ยอมให้ยอมรับการพลัดพรากจากและสูญเสียบุคคลที่รักและเคารพบูชาเจ้าค ะ, ะก็ดูม สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มีอะไรที่ไม่มีการพัดทจา ก, กันทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วเดี๋ยวก็ไปฝนตกแล้วเดี๋ยวมันก็ไปเวลาฝนมาแล้วไปทำไมเรารับมันได้แต่ทำไมเราไม่อยากให้มันอยู่เพราะเรารู้ว่าเราบังคับมันไม่ได้ถึงเวลามันจะหยุดมันก็หยุดถึงเวลามันจะตกก็ตกเราก็ต้องมองทุกสิ่งทุกอย่างว่าเหมือนกับดินฟ้าอากาศไปห้ามไม่ได้ไปบั ง, บงคับต่อไม่ได้ เขาจะไปเมื่อไหร่เราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ถ้าเราเห็นว่าเป็นดินฟ้ากัเราก็จะทำใจได้อยอมรับกับความเป็นจริงได้คุณพีเอมควรทาอย่างไรเจ้าคะถ้าสามีและหญิงอื่นพูดคุยหยอกล้อส่งความคิดถึงกันส่งรูปที่เห็นเนื้อหนังมากมาให้สามีแล้วสองคนนี้ถือว่าได้กระทาบาปใดเกิดขึ้นหรื อ, อยังคะก็แสดงว่าเขาเริ่มนอกใจแล้ว ฉก็ทำใจแท้ว่าไม่ใช่ผัวเราแล้วเป็นผัวของคนอื่นแล<ช>้ว<ช>ก็คิดว่านี่แหละเป็นการมีคู่ก็ต้องมีความทุกข์แบบนี้น<ช>ถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์แบบนี้ก็อย่ากันซะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียว<ม>ถ้าอยู่คนเดียวไม่ได้ก็ต้องทนทุกข์ต่อไปท่าน<ม>ั้นเปลี่ยนใหม่คนเดียวก็เจอแบบเก่าอีกหรืออาจจะเป็นอีกอย่างก็ได้ ตนนี้อาจจะไม่ได้ไปมีชู้มีแฟนแต่ชอบทุบตีเราก็ได้ชอบใช้เราเป็นกระสอบทรายก็ได้เน้นมันชีวิตคู่มันมันก็มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์อย่างนี้แหละถ้าไม่อยากจะได้ทุกข์ก็อย่าก็ต้องไม่เอาสุขจากชีวิตคู่ถ้าอยากได้สุขจากชีวิตคู่มันก็ต้องมีทุกข์ตามมาเป็นสัจธรรมความจริงของชีวิตนคุณ u s e r อร c o u n t ปัญญาจะพิจารณาได้เข้าใจสมาธิต้องถึงขั้นไหนครับก็น่นแะถ้าจะถึงขั้นที่ปล่อยวางได้ก็ต้องได้อุเบกขานะต้องได้สมาธิระดับอุเบกขาคุณรงชัยมิปัสจโนกิเลสผู้ปฏิบัติธรรมจะพบในลักษณะใดและทราบได้อย่างไรครับ อ, อ, อันนี้เจอหลงหลงผิดเห็นผิดเป็นชอบปฏิบัติแล้วก็ เช่มันมีหลายระดับด้วยกันมันพูดยากทําทานแล้วก็ติดทานนี้ก็เรียกว่าวิปัสสนูได้ละเออพราะไม่รู้ว่าทําทานเพื่อเป็นขั้นบันไดให้ขึ้นไปสู่การรักษาศีลสู่การภาวนารักษาศีลแล้วก็ติดอยู่ที่ศีลมันกนเอาแต่ศีลอย่างเดียวเข้งคัดชิบหายเลยขยับนิดขยับหน่อยก็ไม่ได้ผิดศีลไปหมดทนีออ้พวกนี้ก็วิปัสสนูไปอีกแบบนะ ให้รู้ว่าการปฏิบัติธรรมขั้นต่างๆนี้เป็นเหมือนขั้นบันไดเพื่อเราไปสู่ขั้นสูงต่อไปบางคนเป็นขั้นสมาธิก็ติดสมาธิไม่ยอมขึ้นไปทางปัญญาพอขึ้นถึงขั้นปัญญาก็ไปติดปัญญาฟุ้งคิดพิจารณาจนฟุ้งซ่านไปอีกงนั้นมันต้องรู้ว่าความประมาณความเหมาะสมของธรรมะแต่ละขั้นเป็นอย่างไรอันนี้ต้องอาศัยอยู่กับครูบาอาจารย์ต้องอยู่กับคนที่เขา ผ่านาแล้วก็าถึงจะบอกเราได้ะฉะนั้นทุกคนอ่ะมันจะต้องไปติดทุกขั้นอ่ะทาทานก็ติดทานทานบางคนขอทําทานไม่ย่างเงี้ยวพวกไปติดศีลกโ็โหศีลระเบียบยิบเลยสวสดหน่อยไม่ได้ไปเจอตัวมดเดี๋ยวมดตายขึ้นมาเมืนเมนเกินไปอ่ะก็วิปัสสนูนั่งสมาธิจิตสง บ, บก็จ้าวแต่สมาธิอย่างเดียวไม่สนใจกับอะไรทั้งสิน้นไมีไปลายทางปัญญา พอไปออกทางปัญญาเห็นผลจากการปัญญาก็ชอบ mm hmm. ก็พิจารณาจนฟุ้งซ่านไป mm hmm. ไม่พักข่อนไม่พักจิต mm hmm. พิจารณาจนเมื่อยล้าจนกลายเป็นกลายเป็นความฟุ้งซ่านไป mm hmm. ก็ต้องกลับมาพักในสมาธิต้องรู้ว่าทําแต่ละทั้นมีหน้าที่ทำอย่างไร mm hmm. ไม่ใช่ทาไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเขามีหน้าที่ทําอะไรอย่างไรมันก็ทําให้เป็นวิปัสสนูได้ mm hmm. คุณเพลินพิษุ วิ่งหรือเดินสมาธิได้ไหมคะถ้าเป็นนักบวชก็ไม่เหมาะสมะเพราะนักบวชต้องอยู่ในการที่สำมรวมแต่ถ้าเป็นคารวะจะวิ่งมาลาทอนแล้วก็ฝึกสติไปในตัวก็ได้วิ่งไปแล้วก็พุโทโธไปพุโทโธไปคอยควบคุมความคิดให้อยู่ในปัจจุบันอย่าให้มันไปอดีตไปอนาคตก็ทำได้คือก็เป็นกายกรตาสติเนี่ย กายกตาสติไม่ได้กําหนดว่าวิ่งหรือเดินหรือหรือไม่วิ่ ง, งให้มีความมีสติรู้อยู่กับอิริยาบถสเดินยืนนั่งนอนตลอดเวลาให้จิตเกาะติดอยู่กับร่างกายไม่ให้ไปที่อื่นเฉะนั้นร่างกายจะเดินก็ได้จะวิ่งก็ได้จะจะนอนก็ได้ขอให้มีสติรู้อยู่ตลอดเวลากับร่างกายเพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นเพรั้นเวลาวิ่งเราก็ให้อยู่กับร่างกายวิ่ง ้ายขวา้ายขวาไปหรือพุโทโธพุธโทโธไปคอยให้ใจอยู่กับร่างกายอยู่ ก, การวิ่งไม่ให้มันไปคิดเรื่องอื่นคุณพานุวงศ์ในขณะที่ผมนั่งสมาธิโดยดูลมหายใจไปสักพักจะมีอาการรู้สึกวูบเหมือนลงลิฟต์เร็วๆคล้ายเหมือนอาการหลับแต่มีสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าออก เป็นประมาณ 2-3 นาทีจากนั้นมีอาการเหมือนถูกกระชากขึ้นมาแล้วก็วูบต่อลงไปเป็นวนไปจนออกจากสมาธิอาการแบบนี้คืออะไรครับก็อาการของจิตจิตมันก็แสดงอาการแปลกๆต่างๆให้เราได้เห็นได้ก็ให้มีสติรู้ถ้าเราดูลมได้ก็กลับมาดูที่ลมอย่าไปตามรู้ับอาการต่างๆ หรือถ้าพุโทโธได้ก็พุโทโธไป <Yeah. S 1> อย่าไปดูอาการต่างๆเพราะมันจะทำให้ใจไม่สงบให้ดูดูพุโทโธดูความดูความว่างก็ได้ถ้าถ้ามันไม่ว่างก็พยายามากลับมาที่การบริกรรมพุโทโธคุณเบล นั่งสมาธิพุทโธไปสักพักแล้วมาดูลมหายใจค่อยๆเบาลงแล้วเหมือนหูอื้อดับไปแล้วได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นแรงมากเหมือนตัวสะเทือนไปตามจังหวะเต้นของหัวใจบางครั้งมีอาการวูบเหมือนจะฟุบไปข้างหน้าแล้วก็หมุนเหวี่ยงไปทางขวาทั้งที่คิดว่ารู้สึกตัวตลอดแบบนี้เป็นอาการของสมาธิหรือเผลอหลับครับอยากทราบว่า ขอโทษค่ะอยากทราบว่าปฏิบัติถูกต้องหรือไม่และถึงสมาธิขั้นไหนแล้วครับอ๋อยังไม่ถึงเหรอให้กลับมาที่ลมหายใจมีอาการอะไรอย่าไปสนใจอย่าไปติดตามถ้าเป็นสมาธิจริงมันจะว่างจะสงบจะนิ่งไม่มีเหตุการณ์อะไรปรากฏขึ้นถ้ายังมีเหตุการณ์ปรากฏขึ้นม า, าต่างๆเราก็ต้องมีสติอยู่กับลมหายใจต่อไปคุณแอสบูเลอร์ ตอนแรกๆรู้สึกหายใจสบายเจ้าค่ะตอนทําอาณาปณสติรับรู้ลมได้ชัดเจนพอนั่งไปสักพักลวมหายใจเบาขึ้นเราก็พยายามระลึกว่าลมสั้นพอนั่งไปเรื่อยๆเกิดอาการปวดเมื่อยขาและเท้าอย่างมากแต่ก็พยายามทนเจ้าค่ะนั่งไปเรื่อยๆจนลมเบามากแทบจะไม่รู้ว่ามีลมเข้าหรือออกแต่รู้สึกหายใจไม่ค่อยออกเจ้าค่ะจึง นั่งยิ่งหายใจไม่ออกเลยถอนออกมาไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นและควรแก้ไขอย่างไรเจ้าค่ะก็เกิดกิเลส ข, ขึ้นมาใช่กิเลสมันไม่ยอมนั่งมันก็เลยสร้างอาการต่างๆขึ้นมาสมมติว่าถ้าดูลมจริงๆไม่ได้ก็เปลี่ยนมาเป็นบริกรรมพุโทโธแทนดีกว่าอย่าไปสนใจกับลมอย่าไปสนใจกับเหตุการณ์ต่างๆปล่อยมันเป็นไปเรื่องของมันเราอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปเราก็จะนั่งต่อไปได้ แล้ว เ, เดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอยากฝึกลูกให้รับผิดชอบเรื่องการเรียนหยิบจับหนังสือมาอ่านด้วยตัวเองควรทําอย่างไรดีคะไหนถามวิธีได้ไม่เข้าใจกราบเรียนถามขอคําแนะนําค่ะว่าอยากฝึกลูกให้รับผิดชอบเรื่อง การเรียนหยิบจับหนังสือมาอ่านด้วยตนเองควรทำอย่างไรดีคะก็ต้องสอนเขาก่อนเลยสอนเขาว่าลกอ่านหนังสือหรือยังทำการบ้านหรือยังอะไรต่างๆเ่อนั้นก็ต้องสอนไปจนให้มันเป็นนิสัยตอนต้นถ้าเราไม่สอนเขาก็ไม่ทำแต่พอเราสอนไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเขาก็จะทำเองได้คุณทศนี คำว่าโสดาบันกับพระโสดาบันต่างกันอย่างไรคะก็ ค, คำเดียวกันเติมพระเข้าไปเพื่อให้มันเท่นหน่อยคือพระแปลว่าผู้ประเสริฐคือถือว่าเป็นบุคคลพิเศษแล้วถ้าเป็นพระคือเป็นผู้ที่เหนือกว่าปุถุชนอย่างพวกเราเราก็เลยยกย่องท่านด้วยคําว่าพระพระภาษาบาลีนิ่แปลว่าผู้ประเสริฐความประเสริฐวระ ความประเสริฐจะไม่ใช่เป็นบุคคลธรรมดาแล้วเราถึงเรียกว่าพระนี่พระภิกษุก็มาบวชเขจาจริงเรียกภิกษุอย่างเดียวก็ได้เพราะนักบวชก็คือคาว่าภิกษุเรียกภิกษุแต่คนไทยเราชอบชอบยกย่องคนก็ เ, นเลยชอบใส่คำสรรพนามไว้ข้างหน้าพระบ้างอะไรบ้างถ้าไม่ดีก็ใส่ไอ้บ้างมึงบ้างอีบ้างแล้วแต่ ท่านั้นเองไม่มีอะไรแตกต่างจากกันคุณแอสโบเลอร์ถ้านั่งอานาปนานสติไปเรื่อยลมหายใจเบาและสั้นมากบางทีจะระลึกลมหายใจว่าสั้นหรือยาวไม่ทันเลยตัดคําว่ายาวหรือสั้นออกเหลือแต่เข้าและออกจะผิดไหมเจ้าคะไม่ผิดเราไม่ต้องกล่าวคําว่าสั้นหรือยาวไม่ต้องบอกกล่าวคําว่าออกหรือเข้าด้วยทใส่ให้รู้เฉย ดูเ ฉ, ILY เฉยๆมันดูทีวีเนี่ยดูทีวีแล้วต้องพากไปด้วยเ่าบอกตอนนี้เขากําลังกระโดดตอนนี้เขากําลังวิ่งไม่ต้องพากไปหรอกดูลมก็ไม่ต้องพางเกนนะพานะเนี่ยบางแห่งเขาสอนยุบเนาะพองเนี่ยพักไปด้วยไม่ต้องพากหรอกดูมันเฉยๆหรือว่ามันกําลังยุบหรือมันกําลังพองดีกว่าเพราะถ้าพากใจก็ยังต้องทํางานอยู่มันก็จะทําให้สงบไม่ได้แต่ถ้าดูเฉยๆใจไม่ได้ทํางานอะไรแล้วมันก็จะสงบได้ง่ายกว่า ไม่ต้องภาคให้รู้เฉยๆรู้ความเป็นจริงของลมแล้วก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนบังคับลมมันเบาก็ไปทาให้มันแรงไม่ได้มันสั้นก็ไปทาให้มันยาวไม่ไม่ได้ไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้นให้รู้เฉยๆให้ดูเฉยๆคุณเอสเปโรถ้าปฏิบัติตามสีลห้าอย่างเคร่งครัดแล้วสามารถบรรลุพระโสดาบันได้หรือเปล่าเจ้าคะอ๋อสี่ห้าอย่างเดียวไม่ได้หรอีห้า เป็นบันไดที่จะไปสู่ศีลแปดไปสู่การฝึกสมาธิก่อนแล้วถึงต้องไปเจริญปัญญาิจารนาขันห่าว่าเป็นไจรักก่อนถึงจะเป็นพระโสดาบันไดคุณเสกสรรการอยู่กับความว่างที่ถูกต้องเป็นอย่างไรครับก็ต้องฝึกสติไปก่อนแล้วมันก็จะพาไปสู่ความว่างเองว่างคือว่างจากความคิดปรุงแต่งต่างๆว่างจากอารมณ์ต่างๆ หมดแล้วหรนะอถ้าหมดแล้วก็คิดว่าวันนี้เอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันเพราะบรรยากาศมันก็ไม่แน่นอนเดี๋ยวฝนฟ้าจะตกเองก็ได้ก็คิดว่าพอสมควรแค่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอ